ตอนนี้ก็เข้าเรื่องเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนาะในการในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้สังเกตในแม้แต่พระพุทธองค์เองเวลาพระองค์ทร ง, สงแสดงธรรมนะเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็จับแต่ก่อนนั้นมาก็ก็ศึกษาคําสอนก็แปลกใจบางครั้งเนี่ยนะว่ามีบุคคลที่มีความ สงสัยในพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแต่เมื่อสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะไปถามปัญหาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ยกตัวอย่างเช่นสันตติมหามารเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ในสติปัฏฐานสูตรที่เราเรียนกันมาในภาคของอุทเทศตอนนั้นที่สันติสันตติมหามารตเวลาเกิดความทุกขโทมนาตเกิดขึ้นอยู่ไหมพรอความทุกขกายทุกใจเกิดขึ้นจากการสูญเสียสูญเสียคนรักเนี่ย เนี่วนจริงก็เกิดทุกขโทมอนั้นเวลาไปพ่อ พ, พุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เนะี่ยทุกใจทรมานใจมากพระพุทธมาร์กเจ้าก็จะที่จริงพระพุทธเจ้าแสดงอะไรก่อนนะมั้ยพระเจ้าแสดงพุทธคุณพระเจ้าก็บอกว่าอีธาทถากตโตโลกีบอกว่าพระผู้มียภาคเจ้านั้นอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอาหารหัน์นะ เป็นผู้ทศรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณ ะ, สะเสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งกรรมรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ารู้รู้แจ้งอะไรทั้งโลกนี้ด้วยเทวโลกมารโลกพรหมโลกด้วยแล้วก็ด้วยปัญญาแจ้งชัดด้วยตนเองแล้วแล้วก็แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นทรามกลางและที่สุดประกาศพรหมจันทร์คือมรรคพรหมจันทร์เนี่ยพร้อมทั้งอัฏฐะและปัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่ยเชิง ทำไมพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนั้หรือสาวกของพระเจ้าก็จักแสดงอันนี้เป็นแบบแผนเลยนะแบบแผนในการแสดงธรรมเนี่ยเป็นเป็นประเพณีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างนี้แล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าก็จักแสดงธรรมแนวนี้หมดเลยเหตุที่แสดงในลักษณะอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านสร้างอะไรก่อนใช่ไหมท่านสร้างศรัทธาสรัทธาให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าต ถ, ถาคตาถาโพธิศรัทธาใช่ไหม ถ้าไม่มีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสัตว์โลกนั้นน่ะนะหรือท่านพุ้ธนั้นน่ะจะน้อมจะน้อมไปในการที่จะรักษาศีล<ม>ไหมเป็นไปไม่ได้เลยปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยไม่มีทางจะเกิดขึ้นมาได้เลย<ม>ฉะนั้นต้องรู้คุณของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะฉะนั้นท่านพุทนั้น่ะจะต้องศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆเขาเรียกว่าตถาคตตาโพธิศรัทธาเนี่ยทีนี้ศรัทธานั้นมาและมีอะไรเป็นปัจจัย มันมีทุกโทมนัสเน่ยเป็นปัจจัยห้สังเกตดูตามหลักปฏิจจาที่เราเรียนกันมาดิเอวิชาปัจจาสังคาราเป็นต้นเนี่ยสังคาลปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูบังนามารูปปัจจยาสรายะตนังสรายะตนปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจายาวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจิพระโวพระวัปปัจจยาชาติชาติปัจจายาชรามรณะโสกะปริเทวทุกขะ ไอ้ทุกตัวเนี้ยมันมีสองจุดเนาะทุกจะเป็นปัจจัยแก่เลยเวลาเราเกิดทกุกโธมณนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยแก่ทธมนานะโสกาปริเดว่ากลายเป็นกายทุติยจิตวิจิตริงทุจริตมโนทุจริ ต, รตคิดผิดไปเลยก็ได้ใช่ไหมทุกนั่นเป็นปัจจัยให้เกิดอสัต ย, ย์ที่อะไรไม่ศรัทธาใครแล้วต่อไปกูไม่เชื่อใครแล้วกูเจ็บปวดมากมันก็ไปหมดเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทุจริตทุลาชีพไปเลยอย่างนี้ แค่ทุกส่วนหนึ่งของบุคคลว่าอทุกที่มันได้มาคนมีบัญญาเนี่ยศรัทธาก็จะเกิดว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแล้วความทุกข์ที่เป็นไปในกระแสะขันของเราท่านทั้งหลายเนี่ยแล้วเรามามัวเฉยอยู่ทําไมนี่เนะ่ไอ้ตรงเนี้ยฉะนั้นเมื่อความทุกข์กายทุกใจเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านคนนั้นเน่ะความทุกข์ก็เลยเป็นอุปนิสัยไปแก่ใจแก่อะไรอุปนิสัยไปใจแก่อะไรแก่ศรัทธาศรัทธาตรงนั้นคือตถาคตตาโที่ศรัทธาบอกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นผ้าลหันเนอะตัสรู้ชอบได้โดยตนเองนะถึงพร้อมได้วิชาสามนะวิชา8ดนะจรณะสิบห้าเนะยเรานี่ไม่มีสักวิชาเลยใช่ไหมเอาวิปัสสนานะี่มีไหมวิชาประเภทที่เป็นวิปัสสนาญาณ น, นีไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมโอ้โหนามรูปเกิดยังไงก็ไม่รู้อยากใช่ไหม ย, ยืนเดินนั่งนอนใข้ควรพิจารณายังไงเหตุผล อะไรเป็นรูปอะไรเป็นน้ำแทบจะไม่รู้เลยนะดิ้งความไม่เที่ยงเป็นทุกไปทันตาได้แล้วเนี่แทบเลวิจัยกันไม่เห็นเลยเพราะวิปัสนาญาณไม่เกิดไม่ต้องพูดถึงญาณญาณที่มันจะมากกว่านี้นะวิปัสนาญาณก็ไม่มีอิทิวิทั้งมีไหมกไม่มีเจโตปริยญาณไม่มีทิปจับขู่ทิปโสตตะปกเพนิวาสารุสติระลึกชาติได้ก็ไม่ได้ จุตูปปาตยานรู้จุดติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีวิชาประเภทนี้ก็ไม่มีเลยนะอาสวัคยายานยานี้จะทําอาสวักิเลสให้สิ้นก็ไม่มีแต่พระพุทธเจ้ามีครบเลยแล้วอกโอ้ท่านพวเนี้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเนี่ยือศีลสมถะเป็นต้นนี่เป็นเจรณะที่เราพิจารณาดูโอ้นี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าที่ทําไมพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนะี่ย ทำไมพระพุทธเจ้าแสดงว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าสดัดเออสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเนะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงทํางานในเบื้องต้นเนี่ยอะไรคือเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรยออ์นี้ศีลสมถาวิปัสนามีไหมเออมีเบื้องต้นนะเนี่ยเบื้องต้นในศ า, าสนาเนี่ยลองมาพิจารณาดูทีเรามีไหมศีลมีไหมกุศลศีลเกิด ข, ขึ้นในชีวิตจริงไหมล่ะสมาถะหรือสมาธิมีไหม วิปัสสนาล่ะสิกขาสามเดินไหมในขณะที่รูปารมณ์เข้าสู่ทางทวารตาสัทธารมเสียงอ่ะเข้าสู่ทางทวารหูกลิ่นเข้าสู่ทางทวารจมูกรสเปรี้ยวหวานน่ะเข้าสู่ทวารลิ้นสัมผัสเย็นร้อนเข้าสูดกระทบทางทวารกายคิดนึกเรื่องราวต่างๆถามว่าสิกขามันเดินเอมความงามในเบื้องต้นของศาสนานี่มันมันเดินเไ่มศีลสมถาวิปัสสนาเนี่ยมันเข้าสู่กระแสใจไหม เราน้อมเข้ามาได้ไหมคําว่าโอไปไหนทีโ่โกใช่ไหมน้อมกุศลศีลเข้ามาได้ไหมน้อมสมาธิเข้ามาได้ไหมน้อมปัญญาศึกขาเป็นต้นเข้ามาได้ไหมถ้าน้อมศึกขาสามมาเดินในกระแสะขันของตนเองไม่ได้แปลว่าเราเสียหายนะเนี่แปลว่าเราไม่เข้าใจคําสอนเลยอะ่ะใช่ไหมแสดงว่าสัญญาที่คุณกําหนดกําหนดหมายว่าทำเนนะี่ยคุณกําหนดหมายผิดเนะ่ะจะลืมได้ว่าสัญญาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดเขาเรียกเป็นเหตุใกล้ของอะไรอสัญญาเป็นเหตุใกล้ของอะไร ฮเป็นเหตุใกล้ของสติสติมีสองอย่างส ม, มาสติกับมิจฉาสติเอาสิจะลืมได้ความจําได้เคยหมั่นใส้ไหมเราจาใครได้แล้วเราหมั่นใสแล้วอยากจะแล้วอยากจะด่าสักทีเคยเป็นไหมทั้งที่จําได้เนี่แหละเห็นไหมการกําหนดหมายนะมันน่าจะเป็นปัจจัยเกิดส ม, มาสติแต่มันดันไปเกิดเป็นปัจจัยเกิดมิจฉาสติซะนี่ฉะนั้นความจําได้ในตัวสัญญาเนะี่ยมันกําหนดหมาย อสตินะั่นเรียกข้อมูลมาใช้แต่ถามว่าเราจะเรียกข้อมูลมาใช้แบบเพื่อเป็นอาหารของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้าเรียกข้อมูลนั้นมาใช้โดยการเป็นปัจจัยเกี่มิจฉาทิฏฐินะถ้าเห็นผิดนะมิจฉาสังปกปะคือดัมบีผิดมันก็จะตามมาแล้วมิจฉาวาจาการกล่าววาจาที่ผิดพลาดก็จะตามมา มิจฉากรรมมันตากการกระทําผิดพลาดมันก็จะตามมาทุจริตมาแล้วกายทุจริตวจีทุจริตมิจฉาอาชีวะอาชีพจะไม่บริสุทธิ์เลยเนะี้ยมิจฉาวายามะเพียนผิดไหมเพียนผิดเลยนะมิจฉาสติระลึกผิดอยู่แล้วยังไม่ยังเราระลึกในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องมิจฉาสมาธิก็ตั้งมั่นผิดสรุปแล้วก็เลยมรกเกิดไหมเกิดเขาเรียกมิจฉามรรคมรรคไม่ดีเลยเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครัความจํานี่แหละไอ้การกําหนดหมายเนี่ย บางทีกําหนดหมายพระธรรมยังเป็นปัจจัยแก่การระลึกผิดเลยฉะนั้นถ้าหากว่าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่นะถ้าถามบอกว่าเอาเวลาจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าด้วยด้วยจิตประเภทไหนได้กุศลรจิตหรืออกุศลหรือจิตกุศลรจิตเราจะศึกษาประเภทสองมณัตหรือเวขาแล้วเป็นจริงหรือเปล่าเวลานั่งวังก็ทํรนี่มานั่งคิดดูมั้งเออทำไมบางวันเราก็นั่งเมือม่อยๆเลอยลอยไปงั้นแหะ ทั้งๆ ท, ที่เป็นพระธรรมของพระเจ้าทําไมเราไม่ตั้งกุศลและศรัทธาให้มันตั้งมัน่นมันเป็นเพราะอะไรแสดงเราอาชินนกรรมของเรามันผิดพลาดนะแสดงว่าการมนุิการหรือการคิดของเราเนี่ยมันผิดพลาดเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าไอ้ทาไมเราตั้งโสมณัติไม่ได้ตั้งมหากุศลที่เป็นสมณัตไม่ได้แสดงว่าเออเรายังไม่รู้จักว่าจิตเป็นกุศลอกุศลอย่างไงจิตเป็นบุญยังไงจิตเป็นบาปยังไงจิตมีคุณยังไงมีโทษยังไงใช่ไหม อันนี้เป็นอสังขาริกยังไงสัตสังขาริกียังไงดามแล้วแล้เมื่อไรล่ะที่พระเจ้าบอกดูก่อนว่ากะลิเธอไม่ได้เห็นแตรฐานโคตรแล้วแล้วเมื่อไหรเราจักได้เห็นแตรฐาโคตรเนาะถ้าเราตั้งจิตแบบเนี้ยช่ไหมเนี่ยถ้าเราตั้งจิตแบบโอโ้โหสมอนั้นก็ไม่เกิดปีติก็ไม่เกิดปัตสุธิก็ไม่เกิดความสุขก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่ตั้งมัน่นปัญญาก็ไม่เกิด แล้วในขณะที่ฟังพระธรรมจิตใจก็ว้าวุ่นใช่ไหมบางทีก็าทีนะมิทะครอบครอบนะอยู่เนี้ยเคยสังเกตไหมว่าถึงบอกว่าเหมือนอรหมมาแสดงธรรมเนี่ยอรหมมาทํากิจของตอนเองไงถูกไหมเวลาแสดงธรรมเบสเร็จอรหมานึกยังไงโอ้ได้ขัดเกลาตัวเองที่แสดงธรรมเนี่ยน้อมขัดเกลาตัวเองเป็นเบื้องต้นเลยนะว่าเออเราได้มีโอกาสฟังพระธรรมแล้วร่วมๆกับกลุ่มบุคคลที่ที่น้อมใจในการที่จะศึกษาพระธรรมเนี่ยอย่างนี้ใจว่าหนึ่ง จากขรัวทวานก็ได้เห็นคนรักษาศีลคนประพฤตปฏิบัติใช่ไหมยังเออทางทาวานตาเราก็ได้เห็นคนประพฤตปฏิบัติธรทำอ่ะไอทางทาวานหูเราก็ได้ฟังใช่ไหมได้ฟังเออเขาสงสัยพระธรรมเขาก็สอบถามพระธรรมอย่างเงี้ยไอเทาวานจมูกทาวานลิ้นทาวานกายนั้นไม่ค่อยเทอะทะแต่ทาวานใจนะเราก็นึกในพระธรรมตลอดเวลาใจก็น้องไปเป็นใจกับพระธรรมคำสอนนั้นต า, าก็วางใจไม่เป็นนี่นะในการศึกษาพระธรรมเนะี่ยเราจะได้อีกคนละเรื่องเลยเนะ ถามว่าถ้าใจเราเศร้าหมองนะในขณะนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมถ้าอากุศลรจิตเกิดขึ้นได้ขณะที่เรานั่งนะกายเราก็ยากหยับก็เยื่นตอนนั้นเป็นกายยทุจริตนะทั้ง ท, ง, ท ง, งทั้งนั่งฟังธรรมเนี่แหละแล้วก็ถ้าหากวาจาเราเปล่งมาด้วยในขณะนั้นเป็นวาจีทุจริตใจก็เป็นมโนทุจริตแปลว่าเราทําทุจริตสาไม่เดินขึ้นแม้กระทั่งมีเสียงวาทธรรมกำลังฟังอยู่เห็นไหมันเป็นอย่างงี้นะถ้าชีวิตถ้าเราไม่ฉลาดในการจเจริญกุศลเราจะไม่รู้จักกุศลเลย แล้วเมื่อไหร่แหละเราจะเข้าถึงพัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามันดูห่างไกลเหลือเกินใช่ไหมหนึ่งเราพระพุทธเจ้าไม่มีราคะเป็นพระอาหารน่ะเอ๊ะแต่เรามีความกําหนัดกินดีอยู่เนี่ยเออพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะแล้วเป็นพระอาหานไกลจากโทสะเอ๊ะเรายังมีความงุดหินพงซ่านอยู่เนี่ยเออพระพุทธเจ้าไม่มีโมหะแล้ววิชิกิจฉากับอุทธจาี่พระองค์ไม่มีเอ๊ะเรามีอยู่เรื่อยเลยเนี่ยนยพะพระพุทธเจ้าไม่มี มาหน้าทิศที่วิจิกิจฉาเหริการณ์โนธป่าอุทธจารย์ของพระเจ้าไม่มีเลยบาปอกุศลธรรมลามกกายยะทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเนี่ยแปลว่าพระพุทธองค์ไม่มีเนาะแล้วก็พิจารณาเออมันอะไรเคยสังเกตไหมว่าเออเหตุผลง่ายนิดเดียวก็คือเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าน้อยไปทีนี้ถ้าเราตั้งศรัทธานะสัตทินซีในพระพุทธเจ้าน้อยไปนะเวรีนีเวรียินซีคือวิริยก็อ่อนด้วย พอวิริยะอ่อนสติไม่ต้องพูดถึงสติที่จะไปตั้งไว้พิจารณาถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ได้เนะี่ยอย่าพูดเรื่องเห็นเห็นไตร ล, ลักษนณะ์เนยแสดงว่าไตร ล, ลักษณ์ที่เห็นเนะ่ยมันเห็นแบบความคิดของเราเนะี่ยมึงไม่ตั้งมั่นตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่ควรใช่ไหมฉะนั้นศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนะี่ยต้องชัดเออสมัยครั้งพุทธการเนะี่ยอย่าแปลกใจนะว่าเขาฟังธรรมกันทุกวันแล้วบอกอันนี้แปลกมาก พอเย็นลงฟังทำเย็นลงฟังทำยังไงตอนวันก็ไปทํางานประกอบในขนาดไปประกอบอาชีพการงานไปว่าเขาเดินสุจริตสามเขได้เนั้นกายสุจริตวจีสุจริตแล้วอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยกุศลศีลเขาดีเลยนะสามจุดนี้นะกายสุดจริตวจีสุดจริตแล้วอาชีพเขาก็บริสุทธิ์แปลว่าใจของเขาเนี่ยไม่เป็นไปกับบาปอ่ะใจของเขาไม่เป็นไปกับบาปไม่เป็นไปก็กุศลรรมอะไรางหมดแต่ใจของเขาเนี่ยเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลตลอด อันนี้แปลว่าเขามันนัสิการเป็นฉะนั้นพ ร, พระพุทธเจ้าเนี่ยจับไม่แสดงธรรมให้กับคนทุศีนเออเป็นอย่างงี้นะถ้าทุศีนมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจักแสดงคุณของพระพุทธเจ้าหเห็นก่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยมีสองมีสองสามระดับใช่ไหมถ้าระดับแบบประเภทที่ว่ากุศลศีชลชาระปัญญากับปัญญาชําระกุศลศีลถ้ายัางเล่เาๆเนี่ยจะไปเอาปัญญาชําระกุศลศีลเนี่ยรู้สึกจะห่างไกลแล้วใช่ไหมใช่ สมาทานวิรัตนะิน่ะตั้งใจสมาทานตั้งใจงดเว้นไปไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นปจัจจัยคุณตั้งใจงดเว้นแล้วก็เอากุศลศีลมาละลึกบ่อยๆเมื่อตัวกุศลศีลนั้นมีกําลังมากขึ้นใช่ไหมไอ้ตัวกุศลศีลนั้นะพอมีกําลังมากขึ้นก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อะไรเป็นอุปนิสัยปจยัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังเนะที่จะชำระปัญญาได้ท่านขอยกตัวอย่างที่บอกมีท่าเทราลูปหนึ่ง ท่านบวชมาเนี่ยหกิบปีเนี่ยกุศโสีนท่านดีมากจะมีอยู่วันเนี่ยท่านขาดสติไอ้ทุกขเวทน า, าที่โลกภยกกัยแค่เจ็บเบียดเบียนท่านอย่างรุนแรงคือ้าพ ร, รูปนี้พระราชาสรัทามากเลยนี่วันนั้นพระราชาก็จะเสด็จไปเยี่ยมท่านพอเดินเดินเดินจะไปเยี่ยมท่านท่านก็อยู่ในกุฏินั่นแหละท่านก็ร้องร้องแบบทรมานเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยี่ย ไ, ไอ้ทุกขเวนามันตรวจขึ้นใช่ไหม ท่านก็ร้องท่านก็เผลอสติร้องอยู่นั่นแหละทีนี้พระราชาไปทํานท่าจะดิโอ้โหพระเถระวันนี้ไม่สัทธาเลยหมาเราก็นึกว่าเราจะได้ทิพพึ่งแล้วมาถึงว่าโอ้ท่านก็ทุกทรมานมากกว่าเราอเราก็ทุกใจอยู่แล้วใช่ไหมมาเจอนี้ท่านทุกใจมากกว่าเราอีกคนเราเนี่ยทําว่าที่เราบุคคลที่เข้าไปหาพระเจ้าเนี่ยกลาว่าเป็นคนมีปัญหาใช่ไม่ใช่มีทุกข์อ่ะทุกข์ ก, ก็คือปัญหา แต่เข้าไปหาคนที่ไม่มีปัญหาคือพระเจ้าพระเจ้าดับปัญหาคือดับทุกได้แล้วพราะพระเจ้าแทงตลอดอริยสัจใช่ไหมแทงตลอดอะไรสรุปและสติปัฏฐานสี่พระเจ้าแทงตลอดหมดแล้วสมประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดแล้วอมมาร์กแปดโพธิปักกิยธรรมเนี่ยพระองค์ประชุมลงในในขณะจิตเดียวกันได้ในโลภุตาลจิตแล้วแปลว่าพระเจ้านั้นหมดปัญหาตรงนี้แล้วใช่ไหมเจ้า แทีนี้คนที่ไปหาพระเจ้าเนี่ยคือมีปัญหาพอมีปัญหาเข้าไปก็พระเจ้าก็บอกเออมาถูกคนแล้วใช่ไหมใช่เออเนี่ยที่ตถาคตบรเพ็ีบารมีมาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยก็เพื่อที่จะดับทุกข์ให้แกคนเช่นเธอนี่แหละออชื่นใจไหมถ้าเราเข้าไปหาอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าไปหาใครสักคนเนี่ยมั้งบอกโอ้โหรู้สึกทุกข์ใจเหลือเกินอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้เราก็ทุกข์เหมือนกันเนี่ยน่ะเข้าน่ะเข้ายุ่งเลยนะ ไอ้คนทุกก็ไปหาคนทุกเหมือนกันเนี่ยที่ในในในภาษาศาสนาเนี่ยพุกเราเรานื้อคาบุญเราดีอะ่ะที่เรามีภาษาสรนะนั้นเป็นผู้แทงตลอดอริยสัจฉนั้นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ที่มันเป็นไปในกระแสะขันของสัตว์โลกนเนี่ยเนี่ยมันทุกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปฏิสัมพี่มาไม่ว่าชาติไหนหรือชาติไหนสังสารวัฏก็คือว่านั่นแหะชาติที่ทุกใช่ไหมทุกคือเกิดไง พอมันมาอีกนิดนึงก็คือแก่นั้นเขาเรียกชรลาทุกใช่ไหมมันถูกบีบคั้นด้วยความแก่ต่อมาก็คือพยาธิคือความเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยความป่วยกายป่วยใจทั้งหลายเนี่ยก็เรียกพยาธิทุกแล้วในส่วนจริงก็มรณะทุกคือความตายไอ้เกิดแก่เจ็บตายไงมันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่มันเป็นธรรมดาของชีวิตที่สัตว์โลกนั่นแก้ปัญหากันไม่ได้ไม่รู้จะออกได้ยังไงไอ้ออกจากสังสารวัฏ ต, ตัวนี้ทํายังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหม พอไปฮะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดับทุกขเหล่านี้ได้แล้วคือดับชาติที่ทุกขเป็นต้นได้แล้วพระพุทธเจ้าถึงขนาดประกาศบอกว่าอดูก่อนในช่างเรือนเนี่ยบอกว่าต่อไปเจ้าจะสร้างเรือนของของเราไม่ได้ต่อไปแล้วโหวเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยบอกเราค้นหาท่านมานานแล้วตอนนี้เรารู้จักท่านแล้วเราละท่านในแล้วทําปริญญาแล้วรอบรอบรู้เบียเจแล้วก็ว่าทําอริยมรรคเป็นสมุเฉทาปะหันะปะหาร กิเลสกาวคือสมุทัยหรือตันหาเนี่ยให้หมดสิ้นจากขันธ์สันดานของตถาคตได้แล้วตัดสรู้เองด้วยแล้วก็นอมที่จะประกาศบอกสิ่งที่ตนเองตัดสรู้เนี่ยให้กับสัตว์โลกได้รู้ด้วยฉะนั้นพอสันติมหามาตเป็นต้นเนี่ยทุกใช่ไหมทุกจากทุกขเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะสัตว์โลกก็ไปเข้าใจว่าอสุขเวทนามันคือเป้าหมายของชีวิตเจ้ามั้ยที่เราเรียนเวทนานุปัสนาเนี่ยถ้าเราทําอะไรเราไม่ปรารถนาเวทนาโดยมากปรารถนาเวทนานะ ทั้งๆที่ท เ, เวทนามันไม่เที่ยงนี่แหละแต่ก็เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายชอบนักแล้วก็ชื่นชมยินดีมากไม่ว่าจะสัตว์โลกประเภทไหนก็แล้วแต่ตอนนี้สัตว์ในโกที่กําลังทรมานอย่างนียเขาร้องหาสุขเวทนากันนะเขาไม่ใช่ร้องหาพระนิพพานนะไม่ว่าจะเป็นเปรต ก, ก็เหมือนกันยามที่เขาทุกข์เขาหิวโหวยขึ้นมานี่นะแผ่นกระเพาะของเขาตอนนี้ถูกไฟไหม้ไหม้เผาร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ก็ทรมานมากซึ่งพวกเราก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแบบเขาเลยอ่ะที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดแบบเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกุศลกรรมของเรามันให้ผลดีหน่อยดีหน่อยเท่านั้นนะขนาดดีหน่อยแปลว่าวันหนึ่งเราต้องหยอดอาหารนวลละกี่มื้อลองคิดดูถ้าอย่างนั้นก็เผาไม่ต่างจากเขาอ่ะไม่ขังเยอะแต่ว่าของเขาเนี่ยอเตโชท่ากาเรียกปาราจาเตโชของของพวกอบายสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะของสัตว์นรกเนี่แรงมาก แต่โชว์ธาตุของเาที่ประเภทนี้ที่เกิดจากอคุศสลกรรมเนี่ยเบียดเบียนเขาแรงมากเบียดเบียนไหมกระเพาะพังเลยว่างั้นเนี่ยไหมแล้วก็ไหมอีกกระเพาะเกิดขึ้นใหม่ก็ไหมแล้วไหมอีกเนะี่ยเขาจะทรมานหิวทับตายเลยวเมือนนึงเนี่ยถ้ายอมไม่เคยเป็นโรคไตไม่รู้เรากถ้าหิวน้ําเอาแค่หิวน้ำถ้าขาดเพยเป็นโรคไตเราจะรู้เลยนะว่าถ้ามันหิวน้ําขึ้นมาเนี่ยอกินไม่ได้เนี่ยมันจะทรมานสักบานใดเนาะใช่ไหมนั่นแหละเปรต เปรหนักกว่า น, นั้นอีกหลายร้อยเท่าเขียน้ําอยากกินใจแทบขาดกินก็ไม่ได้อาหารอะไร็ร่อยอยากกินใจแทบขาดก็กินไม่ได้วนึกโอ้ยเหนื่อยอบายภูมิเนาะเรามันใกลเข้าไปทุกทีแล้วแต่ก่อนพ่อก็บอกโอ้ยปู่หายไปไหนตาหายไปไหนยญ้าหายไปไหนยายไปเอกกลับบ้านเก่าแล้วลูกไอเรานี่ว่าบ้านเก่าคืออะไรบ้านเก่าของโบราณคืออะไรลูกไม่ยอม กับใบยาพูมในหละบ้านเก่าของเราท่านท่นทั้งหลายเน่มันกลายเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานเพรา้นี่ยสมนวนกันว่ากลับบ้านเก่านึงกับอบยภพูมมันที่ที่สัตว์ทั้งหลายมันไปกันใช่ไหมถามว่าในปัจจุบันนี้ระหว่างราคะความโลภกับความไม่โลภอะไรเกิดมากกว่ากันความโกรธกับความไม่โกรธกับเมตตาอะไรเกิดมากกว่ากันโมหะกับปัญญาอะไรเกิดมากกว่ากันไอ้มือยลอยฟุ้งซ่านกับการที่มีสติสัมปชัญญะระลึก ได้หมายรู้อะไรต่างๆอะไรมันเกิดมากกว่ากันแล้วก็รู้แล้วอาจินกรรมเนี่มันเกิดอย่างนี้แปลว่ามันจะดึงกระแสขันเราเราไปต่ำหรือไปสูงใช่ไหมไม่ต้องให้ใครไปพยากรณ์เนี่ยไม่ต้องไปหาหมอดูว่าเออฉันตายไปแล้วไปพบหน้าจะดีไหมเริ่มพยากรณ์ตัวเองได้แล้วนี้นเนี่ยฉะนั้นถ้าไม่สะดุ้งสะเทือนตรงนี้นะยากมากใช่ไหม ถ้าไม่ตรึกไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาไม่สะดุ้งสะเทือนนะเราก็จะพิจารณาเห็นโอ้ไม่มีอะไรในชีวิตนี้กว่างั้นนะไม่มีอะไรแล้วก็ทุกคนก็เราก็ทําดีพอสมควรแล้วเนี่ยเราไปเข้าใจอย่างนั้นเลยเราคิดมบอกว่าเออชีวิตเนี่ยถ้าเราไปเปิดโทรทัศน์นั่งดูอยู่คิดว่าใจเราจะเป็นบุญหรือเป็นบาปหลายหลายคนก็บอกเป็นบุญนะโอ้โหเขาทําให้เขารู้เรื่องอะไรเขาสามารถรู้ แต่เขาไม่รู้หรอกว่าโลภะเกิดขึ้นแล้วให้ผลเป็นทุกข์โทสะเกิดขึ้นให้ผลเป็นทุกข์โมหะเกิดขึ้นให้ผลเป็นทุกขนะ์เนียแ ล, ล้วเมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นใกนกระแสใจของเขาแล้วมันจะตามมาด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตฉะนั้นการศึกษาว่าทำคํารรสอนของพระเจ้าเนี่ยตรงนี้นี่แหละที่เราจัรู้ว่าเออเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแล้วมันมาจากเหตุปัจจัยอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่านี่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไม่เห็นมีอะไรเนี่ย เอ้เข้าใจอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปพูดอะไรมันดับหมดนะใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ดับเกิดขึ้นมันก็ดับแต่ถ้าบาปเกิดขึ้นดับไหมดับบุญเกิดขึ้นก็ดับแต่บาปหรือบุญที่มันเกิดขึ้นแต่มันมีผลนะบาปเกิดขึ้นดับก็จริงแต่มันให้ผลเป็นทุกข์เอาเออย่างคนที่ไปทํากรรมชั่วเนี่ยเช่นไปทํายกตัว อ, อย่างคนบางคนไปทําปาณนติบาตอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวะปีสุนาวาจาพระุสวาจาสัมภะบาลปะหรือว่า มิจาทิถีทั้งหลายมันดับไปหมดแล้วแต่มันให้ผลเนี่ยอย่างใ น, นปัจจุบันที่เรากำลังรับ ผ, ผลบุญผลบาปกันอยู่อันนั้นก็ไปใข้คุณอาตามไปดูในเวทนาอันนี้ก็ปลาลบให้ฟังทั้งที่แล้วถึงไหนถึงไหนลืมแล้วนาทีแปดแล้วก็ไปถึงหน้าแปดแล้ว ลองอ่านอรูปกรรมฐานคือเวทนามีในพระสูตรหลายสูตรเราอ่านให้บางหน่อยที่เราเรอ่านพอๆกันดีหน้าที่แปดเราลองดูที่อ่านอ่าอารมูปกรรมฐานนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงสติปัฏฐาน เดี๋ยวก็พร้อมกันหน่อยนึงแ <c oughs> ม้จะตัดสู้นะจะตั้งอัธยาศาัยองการตัดสู้เวลาอ่านพระธรรมก็ต้องตั้งใจนะใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต้องชัดเจนหนึ่งสองสามอารูป ก, กรร ม, มาฐาน ในบาชินิกายคือจุลกัญหาสังขยาสุมหาสมสังขยาสุขคุณลเวทละสุขมหาเวทลสุขลัทธาบลสุขมาคันธยสุขชาตุพิพัมพสุอเมชาสังขายาสุในสีฆานิกายคือนมหานนิกายสุ ตรงนี้เป็นดัชนีชี้บอกว่าสำหรับบุคคลที่ต้องการความพิศดารจนะัคือหมายความว่าต้องการอยากจะไปศึกษาในเรื่องของเวทนานี่นะ น้นในเวทนานะในพระสูตรเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นในจุนจุนละตันหาสังคยสูตรมหาตันหาสังคยสูตรที่จริงอะ่ะในพระสูตรเหล่าเนี้ยก็จะแสดงแทบจะไม่ต่างกันนะแต่ว่าเป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์แต่ละบุคคลเป็นต้นเหล่านี้ยจุลเวทัละมหาเวทลัละรัตปลาลสูตรมาคันธยสูตรแล้วก็ทาตูวิพังกระสูตรอเนนชาส ป, ปายสูตรอันนี้หมายถึงในมัชฌิมานิกายในะที่ว่ามาตามลําดับเนี่ย ต่อวาในทีคณิกายก็มีมหานิธานสูตรสักกะปัญหาสูตรมหาสติปทานสูตรอันนี้ไม่ใช่มหาสติปฐานสูตรนะดี่เรเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าสติปฐานสูตรถ้ามหาสติปฐานสูตรไปอยู่ในทีคณิกายแต่ในนี้เรากําลังใช้ในหลักสูตรของมัชชิมานิกายมูลบัณ น, นะฉะนั้นสติปทานสูตรเนี่ยพระองค์แสดงไว้เยอะไม่ใช่แสดงไว้ที่เดียวนะีเยอะหมดเลย สรุปแล้วก็คือว่าคําสอนของพระเจ้ากสรุปลงก็คือพระเจ้าแสดงอะไรแสรดงสติปัฏฐานจากสติปัฏฐานสรุปลงอะไรสรุปลงอริยสัจนะถามว uhh. ่าศึกษาสติปัฏฐานลงอริยสัจไม่ได้บรรลุได้ไหมไม่ได้คือเบื้องต้นก็คือว่าศึกษาสติปัฏฐานแล้วสรุปลงอริยสัจไม่ได้คือเข้าใจไม่ได้นี่เข้าใจไม่ได้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเนี้ยลงอริยสัจไม่ได้บรรลุไม่ได้ ถ้าไปชมลงอริยสัจไม่ได้ในนี้ก็คือท่านกล่าวเกี่ยวเรื่องของเวทนาเขาไว้โดยเฉพาะก็คือสักการบรหาสูตรเนี่ยในเล่มนี้ที่เอามาเนี่ยมียตัดมาช่วงท้ายโอ้โหท่านเล่าทั้งสูตรนี่ยุ่งเลยเพราะสักการบรหาสูตรจะอยู่ในทีก็ได้กลายเป็นสูตรยาวใช่ไหมขนาดนี้เอาย่อๆย่อๆมาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าหนึ่งทำยังไงก็บอกว่าพ่อโพธิสัตว์เนี่ยนะ เวลาพระโพธิสัต์ท่านสร้างบารมีนี่นะท่านสร้างปัญญาบารมีท่านสร้างยังไง ร, รู้ไหมว่าท่านจบพระไตรปิดกมาทุกชาตินะพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาในชาติที่จบพระไตรปิดกมาแล้วก็ได้บวชในาศาสนารพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเวลาพระองค์มาสอนเนี่ยพระองค์ก็จะคิดว่าเออจะทํายังไงสอนให้คนเข้าใจง่ายๆนี่วิธีคิดนะคือของยากเนี่ยทํายังไงจะสอนให้ง่ายถ้าของยากไปสอนให้ยากแลยุ่งยังไงแต่ไม่ใช่ว่า ของที่มันยากไปสอนซะ ง, ง่ายจนมันผิดเนี่ยอันนคนละเรื่องนะก็เพราะเจ้า <c oughs> <c oughs> สอนสอนีกยาวไปสอนอีกยาวไปคนละเรื่องนะแต่สอนให้ง่ายหมายถึงง่ายต่อการที่จะจัดเรียนรู้อย่างกรณีถ้าลองยกมาทุกส่วนทีเนี้ยโอ้โหตายเลยยอมไม่กินลูกท้อกันแล้วใช่ไหมยะกินไม่กินแต่ดีนะพระไปอ่านว่าให้หมดแล้ว <c oughs> พออ่านมาหมดแล้วกรมาแก่งกองว่ า, วาเออเนี่ย เห็นตรงนี้อที่มันมันรู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วว่างั้นเด้อแล้วถ้าหากมีพื้นฐานตรงนี้นะต่อไปไปพลิกดูโอ้ยเข้าใจแล้วฟังมาแล้วศึกษามาแล้วเรียนมาแล้วต่อไปสึกขาสามก็จะเดินสะดวกเลยแต่นี้มันเป็นอย่างงั้นนะแต่แต่จะมาทําไม่ได้ถึงพระโพธิสัตว์ถึงพระเจ้าทำได้ันเนี้ใช่ไหมโอ้ถ้าเนี่ยอยากเกิดพวกเราอยากมาเกิดยุคนี้อะ แล้วยุคอะไยุคสุดท้ายปแถวตอนพระเจ้าตัทเชลุกไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไหมือนกระดาษพระพุทธเจ้าตัทเชลุลงคิดดูนะตอนที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกอใช่ไหมทําไมไม่สะดุ้งสือเถินบ้างอย่าพระเจ้าสแสดงเยมากกับปาฏิหาร น, นะทําให้สัตว์มองเห็นกันหมดเลยไม่ต้องเงยหน้าดูข้างบนก็เห็นเห็นเทวดาไม่ต้องก้มหน้าลงข้างล่างก็เห็นแบบใบิสัตว์อตอนนื่องใช่ไหม ก็สะดุ้งสะเทือนก็กลัวบาปกลัวกรรมกันทั้งนั้นในยุคนั้น <Yeah. S 1> แต่แล้วก็เฉยอ๋ <im itation> อเราไม่ได้ตั้งศรัทธาไว้ให้มั่นคง <im itation> เราเป็นแบบปัจจุบั น, น <im itation> ในปัจจุบันไงบางวันเราก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาวางวันก็ศึกษาเล่นๆบางทีก็หูงานการอะไรไมาแทรกคือเหมือนใ้แบบเนี้ย พระเจ้าจะแสดงธรรมให้กับใครเป็นคนอันดับแรกรู้ไหมหนึ่งแสดงคนที่มีสัตย์ทิงสมากไอนน้เราก็ไม่มีศรัทธามากเท่านาั้นเน่ยถามว่าคิดนะสนันในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุตินะถ้าเราจะเดินเท้าเปล่าว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกว่างั้นนะแต่มีข้อแม่นะคุณต้องอยากเจอพระเจ้าคุณต้องเดินเท้าเปล่าไว้นะถามว่าตอนนี้อยู่ไหนโน่อนอยู่เทวีอเมริกนันตายหนอ่อากล้าไหม เดินเท้าเปล่าไปเราจับเปเฝ้าพราะองค์เลยใช่ไหมเออโอ้ขนาดอินเดียคิดกันแล้วคิดกันนี้ใช่ไหมโอ้แทงนั้นเนี่ยมีแพงอะไม่ไหวแล้วใช่ไหมใชแต่ลองลองสมมติเ้าไปกรรมกับคุณนะเขาไม่ต่อรองนะคนยอมสุพรรณหงเนะี่ยใช่ไหมเคยเท่าร้านเพชรร้านพลอยมาในยุค ก, ก่อนๆเนนะี่ยโอ้โหราคาไม่รู้กี่แสนใช่ไหมยช่ รู้สึกธรรมดากันเลยอ่ะแต่พอจะไปอินเดียเนาะโอ้โหคิดจนต่อลองราคาจนคนจัดแทบอืหน้าเบ้เลยอ่ะขนาดนั้นขนาดจะไปเฝ้าพระเจ้าแล้วยังขนาดเนี้ยจะไม่ใช่ถึงบอกว่าถ้าให้เดินเท้าเปล่าเนี่ยเรามาคิดดูเหอะเขาไม่ใช่เดินเรามีรองเท้านะเดินเท้าเปล่าแล้วอาหารค้องแขนแล้วเดินไปเนี่ยแต่ในสมัยนั้นะคนที่เขาสร้างบา ร, รมีที่เขามีตถาคตาโพธิสถานเนี่ยเขาไป เชื่อไหมว่าพัทยธทารุจริยะเนี่ยเดินทางเนี่ยไม่ได้เอาเนี่ยถ้าสาธยายก็จะเรื่องเดียวก็จะจบมันจะหมดเวลาเราฟังนี่เราจะตื่นเต้นมากโอ้โหคนทาไมศรัทธาปันนั้นพอรู้ว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยไม่แล้วเดินทางในแปดปเพื่อนนอนไม่ได้ใจไปอยู่กับพระเจ้าแล้วร้อยยี่สิบย หกกิโลร้อยยี่สิบยอดลงคูดเลยเดินวิ่งเท้าเปล่าเยอะไม่ใช่เดินอย่างเดียวนะวิ่งด้วยนะวิ่งกลัวว่าก็กลัวอะไรชะมะถ้าเราไม่รีบถ้าเราตายวันนี้เมื่อไรเราจะไม่เห็นพระพุทธองค์แล้วเท่าไหร่ ประมาณพัน 1, กว่า 1, กิโลใช่มันเก้าร้อยกว่าโอ้โหวิ่งทะลุ ป, ประเทศไทยเลยอะ่ะจากเชียงใหม่ 700, อื 700, อยพันกว่าพันกว่านู่นแหละวิ่งยันมาเลเซียนู่นแหละตาันตันกาลงนู่นแหละถึงมะละกานู่นแหละนู่นแหละถึงนู่นแหละจากเชียงใหม่อะ่ะจากเชียงใหม่ อ, อ, อาฮ่วงเลนะเนี่ย กลัวไม่ทันถ้าชีวิตของตนเองตายไปแล้วเราจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเราจะเสียหายมากเพราะจุดติของเราเนี่ยไม่รู้จะลงสู่ทวารไหนทางทวารตาก็ตายได้ทวารหูวทวารจมูกทรารทะวารลิ้นทวารกายทวารใจฉะนั้นเรามามัวกังวลอยู่อย่างนี้ทำไมแล้วท่านตั้งมนุษยการในมีพุทธคุณเป็นอารมณ์แล้ววิ่งไปเลยขนาดไปที่วัดนะพระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปเรื่อย ตามไปนะพระบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้ากลับมานี่ไม่รอแล้ววิ่งตามไปนะจะไม่ถึงพทะเจ้ากลางทางเราคิดดูแล้วไปถึงกลางทางแบบใส่ก็โคกเข่าบ่นอมมือแล้วกราบพระบาทของพระเจ้าบอกร้องพรเจ้าโปรดแสดงธรรมเถอะพระเจ้าบอกดูก่อนพายยะมันยังไม่ถึงเวลาก็โอ้มันไม่ใช่เวลาเราคิดดูดีทรมานใจท่านนะพระเจ้าก็เสด็จบิณฑบาตไปเรื่อยไงก็เดินตามไปกพักหนึ่ง เขได้จังหวาโอกาสก็จ้องก็ไปไหว้ใหม่บอกโอ้ขอพระผู้มีพระเจ้าโปรดแสดงธรรมโปรดข้าพรองเถอดดูก่อนไปเฮียมันยังไม่ถึงเวลาอะไรลูกโอ้ยลองคิดดูสิท่านไม่เคยคิดว่าแหมจะไม่ใช่อย่างเราก็น้อยใจก็เลยไม่ได้เลยได้โทสะกลับมาเราอุจจาระศรัทธาแทบแย่วิ่งมาด้วยท่าเปาระยะทางร้อยยี่สิบยอดพันกว่ากิโลเมตรก็จะสองพันกิโลเมตร ผู้เมียพระเจ้าไม่เห็นใจเราเลยไม่รู้เราจะศรัทธาไป็นไหมอยู่เงี้ยคนคิดประเภทนี้เยอะ ม, มากเที่ยงไหมว่าในยะโสชาตเนี่ยนะเออในในในในในยะโสในยะพระยะโสชาพร้อมในบริวารเนี่ยห้าร้อยเนี่ยไปเฝ้าพระเจ้า เ, าเนี่ยพอไปถึงแล้วเบรเสร็จด้วยบริวารของตนเองนั้น เ, นเป็นคนเคยอยู่เรือประมงมาก่อนเสิยงก็ดังใช่ไหม โคลคางโคลคามกันนะเลยที assa, emen, ail, learned, ่อาจารย์ของเราอยู่ตรงไหนอาสนะไหนบาทของอาจารย์ไหนกรดของอาจารย์ก็ให้ลุมล่ากันหมดเลยนั้นนี่นะพระพุทธเจ้าฟังอยู่พระเจ้าบอกอันนนนีเสียงอะไรเหมือนกับชาวประมงหาปลาตรงนี้เป็นชาวประมงพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วจะมาพระอย่างกับชาวประมงหาปลาเลยว่านั้นบอกโอพระยโสช้าพร้อมได้บริบาลจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ให้ให้มาเฝ้าสถาพนเนี่ยก็ไปบอกพระพุทธพระเจ้าเรียกหา พอมาเป้ามากรเจ้าไล่เลยไปเลยเธอจงไปบอกที่นี่ไม่ตรอดรับไล่เลยเนะยบอกให้ไปพอไล่